มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาสัตตมวะอภิสมยัยน์ตรายะกราปัญหาที่สามถามว่าผู้ที่เป็นปาราชิกแล้วไม่รู้ตัวกลับมาบวชอีกตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล จะสำเร็จหรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาฆเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชายานยิ่งบัณฑิตอุดมโลกเทรชาติโยโกจิคีหิขริหัดขราวาททั้งปวงในโลกนี้ขฤรหัดผู้ใดผู้หนึ่งถึงซึ่งภาวะเป็นปาราชิกแล้วบวชเข้าในบวรพุทธศาสนาอีก ที่สัตว์ที่จริงนั้นจะรู้ตัวว่าเป็นปาราชิกก็หาไม่ได้ผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่ได้ล่วงเห็นว่าเป็นปาราชิกมิได้ให้สติตักเตือนทัดฐานบอกกล่าวว่าท่านเป็นปาราชิกท่านกระทาผิดสิ่งนี้และคฤหัสถ์ที่เป็นปาราชิกนั้นก็สำคัญว่าบริสุทธิ์เป็นอันดีกระทำความหมั่นมักพักดี อุตสาปฏิบัติเพื่อจะให้ตรัสรู้ซึ่งธรรมาพิษสมัยมรรคผลอันควรจะรู้นั้นตกว่าคฤหัสถ์ที่เป็นปาราชิกนั้นจะสำเร็จแก่ธรรมาพิษสมัยมรรคหรือหรือว่าหามไม่ได้พระนาคเษนวิสัชนาว่าณหิมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารคฤหัสถ์ที่ตั้งอยู่ในปาราชิกฐานเป็นปาราชิกนั้น ถึงว่าจะปฏิบัติไปจะได้สําเร็จซึ่งธรรมาพิสมัยมรรคผลหามิได้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสสักาซว่าเหตุชะไหนจึงเป็นกระนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสษ็จจริงวิสัชนาดังนี้ว่าโยตสะธรรมาพิสมะยายะขอถวายพระพร อันว่าธรรมาพิสมัยมรรคผลหุนทางพระโรกุตระย่อมบังเกิดถาวรแก่บุคคลอันมีศีลบริสุทธิ์เมื่อเป็นปาราชิกแล้วมีศีลอันขาดสิ้นแล้วธรรมาพิสมัยก็คลาดคล้วไปไม่บังเกิดแก่ผู้เป็นปาราชิกนั้นณบ่อพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการว่า พันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชายานโยมเห็นว่าคนซึ่งเป็นปาราชิกนั้นรู้ว่าตัวเป็นปาราชิกแล้วก็ยังเกิดสงสัยว่าอัตมาเป็นปาราชิกที่ไหนอัตมาจะได้สําเร็จแก่ธรรมาพิสมัยคนผู้นั้นสงสัยอยู่ชะนี้จึงจะไม่ได้มรรคผล นี่คนที่เป็นปาราชิกนั้นเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นปาราชิกไม่สงสัยบาปทำสิ่งไรจากการไว้ไมิให้ได้มรรคผลนั้นปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าโยมนี้เห็นไม่สมด้วยลักษณะจะไม่ได้ทํามาพิสมัยมรรคผลก็ต่อเมื่อมีความสงสัยนี่เขาเป็นปาราชิกแหลแต่ทว่าเขาไม่รู้ตัวเขาไม่สงสัย เหตุไฉนจิงไม่ได้ทํามาพิสมัยมากผลนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนจึงถวายพระพรวิสัชนามหาราชดูกระบอพิษพระราชสมภารเปรียบเหมือนพืชอันบุคคลหวานลงในนาอันดีพืชที่หวานนั้นจะงอกหรือหรือหาไม่ได้พระเจ้ามิลินภูมินทราธทิบดีมีพระราชโองการว่า พันเตนาฆเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอามะเออกระนั้นสิพืชหวานลงที่เนื้อนาดีแล้วคงจะงอกสิพระผู้เป็นเจ้าเทโรอาหะฝ่ายพระนาคเสนเถระผู้เลิศอรหันจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชค้อถวายพระพรบพิทพระราชสมผานผู้ประเสริฐเลิศกว่าฝูงประชา นุโขดังอาตมาขอถามพระราชสมภารอีกสถานหนึ่งยังมีบุคคลผู้หนึ่งเอาพืชชนิดที่หวานในเนื้อนาอันดีนั้นไปหวานลงบนศิลาอันแน่นเป็นแท่งเดียวพืชที่เขาหวานลงบนศิลานั้นจะงอกงามหรือประการใดสมเด็จพระบรมนนท์นรินมิลินเลิกกศกษัตริย์มีพระราชโอลงการตรัสว่าณหนะิพันเต ไม่เช่นนั้นพระผู้เป็นเจ้าพืชที่คนหวานลงบนศิลานั้นจะเอาสถานใดตั้งรากให้มั่นคงได้เล่าจึงจะงอกงามขึ้นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จรึงถามว่ามหาราชาขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารพืชที่หวานนั้นก็พันเดียวกันฉะไหนหวานลงในเนื้อนาจึงงอกงามขึ้นมา ครันหวานลงบนศิลาสิหาขึ้นใหม่เป็นไนเนื้อนากับแผ่นศิลานี้จริงไม่เหมือนกันเล่าพระเจ้ามิรินปิ่นกษัตริย์มีพระราชโอรสการตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าศิลากับดินจะเหมือนกันหาไม่ได้นาเป็นสถานอันบุคคลถากไถ่ายทั้งประกอบไปด้วยดินอันชุ่มชื้นหวานพืชลง พืชจิงงอกงามส่วนศิลานั้นแข็งกระด้างไม่เป็นสถานอันน้ำพึ่งแทรกซึมเข้าไปได้หวานพืชลงไปจะให้พืชงอกงามขึ้นมานั้นเอาธรรมเนียมที่ไหนมาพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารข้อความอันนี้ยะถามีครุวนาชันใด บุคคลที่มีศีลผ่องใสบริสุทธิ์นั้นเปรียบเหมือนเนื้อนาอันดีย่อมเป็นที่งอกงามเจริญขึ้นแห่งพืชกล่าวคือพระธรรม毗สิมัยบุคคลผู้ทุศีลเหตุปาราชิกนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งว่าแผ่นศิลาย่อมไม่เป็นสถานที่อันพืชกล่าวคือธรรมาสิสมัยจะเกิดงอกงามเจริญขึ้นได้เป็นอันขาดมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่งเปรียบานดุดไม้ค้อนก้อนดินและท่อนไม้เมื่อบุคคลโยนไปปาไปนั้นก็ย่อมจะตกลงเหนือแผ่นดินโดยธรรมดาอาปินุโขดังอัตมาขอถามขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจงมีพระราชองค์การบอกให้แจ้งก่อนหรือว่าไม้ค้อนท่อนไม้และก้อนดิน อันบุคคลโยนไปจะไม่ตกลงเหนือแผ่นดินด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งเล่าพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิปดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสว่าธรรมดาบุคคลโยนไปซึ่งท่อนไม้และไม้คอนก้อนดินฉะนั้นย่อมจะตกลงที่ภูมิภาคพื้นแผ่นดินจะได้ตั้งอยู่บนอากาศหามิได้อากาศเปล่าจะทรงจะรับเอาไม้คอนก้อนดินไว้ใช่เหตุใช่ผล พระนาคเนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบร่พิษพระราชสมภารความเปรียบประการชนี้ยะถามีขรุวนาฉันใดอันวัรมาพิสมัยมักผลจะมีแก่บุคคลที่มีศีลวิบัติหาไม่ได้ใช่เหตุผลเปรียบเหมือนไม้คอนก้อนดินอันบุคคลโยนไปมิได้ค้างอยู่บนอากาศ ด้วยอันหาเหตุไม่ได้บุคคลผู้ใดเป็นปาราชิกถึงสีละเภทแล้วก็เป็นเหตุสมุดชินนะคือตัดเสียซึ่งเหตุอันจะบรรลุกแก่ธรรมาภิสมัยคือไม่ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอันขาดมหาราชะขอถวายพระพรบอพิพระราชสมภารผู้ประเสริฐทะเลอักคิชาละติธรรมดาว่าไฟ บุคคลกองไว้บนบกย่อมรุ่งเรืองหรือหาไมมบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิดินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตคาแต่พระผู้เป็นเจ้าเอากรนั้นแหละธรรมดาว่ากองไฟในทะละประเทศที่บกแล้วก็ย่อมจะรุ่งโรดโชตนาการพระนาคเกษณนจิงซักถามว่ามหาราช ดูกระบ่อพิษพระราชาสมภารแม้นว่าบุคคลกองไฟที่อุทกังจะรุ่งโรดโชตนาการหรือว่าจะดับไปณนะบ่อพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าณิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุคคลไปกองไฟที่ในน้าเพลิงก็ดับไปจะรุ่งโรดโชตนาการหามิได้ พระนาเคเสษเจิงถวายพระพรว่ามหาราชะลูกระบอพิษพระราชสมภารยะถาข้อความนี้มีครุวนาฉันใดธรรมาพิสมัยมรรคผลก็ไม่ได้บังเกิดแก่บุคคลเป็นปาราชิกศีละเภศเป็นเหตุสมุดฉินนะหาเหตุไม่ได้อุปามาเหมือนกองเพลิงบนหลังอุทกะประเทศหาเหตุหาธรรมดา หาเยี่ยงอย่างธ ร, รมเนียมมิได้ฉะนั้นขณะนั้นสมเด็จพระเจ้ามิดินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าจงคิดแก้อัตถปัญหานี้ณนะเมตะถะจิตตสัญญีเหมือนหนึ่งว่าโยมนี้มิได้มีสัญญารู้ตัวว่าเป็นปาราชิก มิได้สรงวิมติสงสัยเลยว่าเป็นศีละวิบัติบาปกรรมจากการไว้กะไรจรึงจะไม่สเร็จแก่ธรรมาพิสมัยมรรคผลนิมนต์ผู้เป็นเจ้าชักนำเอาเหตุนั้นมาวิสัชนาแก้ให้แจ้งก่อนพระนาคเกษ็ถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพรบ่พิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐวิสังฮาลาหาลัง อันว่ายาพิษกินตายคนทั้งหลายไม่รู้ว่าเป็นยาพิษพากันรับประทานยาพิษเข้าคนทั้งหลายจะตายหรือว่าหาไม่ได้นะบอดพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การรับคำพระน้าเกษณว่าอามะพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเออก็อย่างนั้นแหละสิยาพิษนี้คนจะรู้ก็ดี มิรู้ก็ดีกินเข้าไปแล้วก็ตายทั้งนั้นพระนาคเกษนถวายพระพรว่ายะถามีครุวนาฉันใดบุคคลไม่รู้ว่าบาปกรรมที่กระทาจะเป็นอภิสมะยันตรายทำให้ชิบหายจากมรรคผลบาปกรรมนั้นก็ย่อมกันที่ทางอภิสมัยมรรคผลไม่ให้บุคคลบรรลุได้เอวะเมวะโข เหมือนยาพิษอันร้ายกาจถ้าจะไม่รู้ถ้ากินแล้วก็คงจะสิ้นชีวิตฉะนั้นอปิอันหนึ่งเล่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอาชา น, นติอาสิวิโสเปรียบดุจทีฆชาติอสรพิษร้ายคบตอดบุรุษผู้หนึ่งเข้าบุรุษผู้นั้นก็ไม่รู้ว่าอสรพิษ บุรุษนั้นจะสิ้นชีวิตตายด้วยอสรพิษนั้นขบตอดหรือไม่บพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิรินภู่มินธราธิ่พดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าอามะพันเตพระเจ้าข้าย่อมเป็นกระนั้นผู้เป็นเจ้าบุคคลอันอสารพิษขบตอดนั้นถึงไม่รู้ว่าอสารพิษขบตอดก็คงต้องตายพระน่าเกษรถวายพระพร อ, อุปมาว่า มหาราชฯขอถวายพระพรอนบพิษพระราชสมภารความอุปมาประการนี้ยะถามีคารุวนาฉันใดบุคคลไม่รู้ว่าบาปกรรมที่กระทํานั้นจะเป็นอันตรายแก่มรรคผลบุคคลผู้นั้นกระทําเข้าเมื่อใดก็จะการไว้ไม่ให้ได้มรรคผลเมื่อนั้นเปรียบเหมือนบุคคลที่อสรพิษขบแม้ไม่รู้ว่าอสรพิษ ก็คงจะดับจิตสิ้นชีวิตนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจะไม่ได้สวนาการบ้างหรือเหมือนหนึ่งว่าพระเจ้ากาหลิงคราชบ ร, รมจากนั้นสัตะ ร, รัตนะปริกินโนบริบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการอยู่มาณกาลวันหนึ่งทรงพระดำริจะเสด็จไปเยี่ยมตระกูลญาติโดยอากาศวิถี สมเด็จพระบรมกษัตราธิบดีก็เสด็จทรงช้างพระที่นั่งบรมหัตถีรัตตัวประเสรฐิฐแล้วก็ขี่มาโดยนภาลัยประเทศอากาศแต่พระองค์เดียวโสดมาตรงพระมหาโพธิเข้าบรมาจากนั้นก็ไม่สําคัญไม่ทันรู้ว่าพระมหาโพธิอยู่ตรงนั้นก็มิอาจขี่มงคุลหัตถีรัตเหาะข้ามพระมหาโพธิได้ ด้วยอนุภาพพระมาหาโพธิไม้สมเด็จพระสัพพันยูจเจ้าตรัสยะถามีคุวนาฉันใดอันว่าอภิสมัยมรรคผลถึงบุคคลจะไม่รู้ว่าบาปกรรมนั้นเป็นอันตรายแก่มรรคผลบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจะไม่ได้สำเร็จแก่ธรรมาพิสมัยมรรคผลเหมือนพระยากาลิงคราดบรมจากไม่รู้ที่สำนักพระมาหาโพธิ มิอาจข้ามพระมหาภูธิไปได้ฉะนั้นราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีได้ทรงพระสวนาการพระนาคเสนผู้ปรีายาญวิสัชนาก็สิ้นสุดพระวิมติกางขาจึงตรัสว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนอัถปัญหานี้พระธรรมกฐึกอื่นมิอาจแก้ไขได้สัมปติฉามิ โยมจะรับประทานจำไว้นาการบัดนี้ตามในยะที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาแล้วทีท่วนทุกประการอภิสมยันตรายะกราปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้